เจ้กรรมนเวรกับเทวดาประจําตัวมีจริงไหมหลักที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คือสิ่งใดเราไม่รู้ไม่เห็นแต่เขาลือลือกันว่ามีลือลือกันว่าเป็นก็อย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งสนับสนุนแต่ให้ไล่เลียงอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้ามีมีได้ด้วยเหตุใดถ้าไม่มี ไม่มีได้อย่างไรถ้าอยากเชื่อควรปฏิบัติแบบใดถ้าไม่อยากเชื่อควรมีท่าทีประมาณไหนยกตัวอย่างเช่นเจ้ากรรมนายเวรตามความเชื่อไทยคือวิญญาณที่คอยตามล้างตามผลานพยายามเอาคืนเราแบบข้ามภพข้ามชาติเราควรสันนิษฐานว่าถ้ามีเช่นนั้นจริงก็ต้องเคยร่วมบาปหรือทำให้เขาอาฆาตแค้นอย่างแรง ถ้าสมมุติว่าเป็นแค้นฝังหุ่นสุดขีดชนิดเคยล่าเนื้ออากเือทาเขาไว้อย่างเนี้ยถ้าแค่สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้หรือเอาเงินหมื่นสองหมืน่นไปทำพิธีตามผีบอกแล้วขอว่าอาโหสิกรรมให้การเถอะนะที่แล้วก็แล้วกันไปเขาคงไม่ปลื้มพอไม่นึกอยากปล่อยเราเป็นอิสระแน่ทางที่ดีวิถีพุธคือให้เจริญเมตตา ด้วยการนึกถึงบุญที่เราเคยทำจริงไว้ก่อนหรือบุญนบบัดนี้ที่เราไม่ปรารถนาการเบียดเบียนนึกจนรู้สึกถึงสุขที่แผ่ออกจากใจไม่ต้องเบียดเบียนกันระหว่างเรากับเจ้ากรรมนเวรเราสุขอยู่ในความไม่เบียดเบียนอย่างไรก็ขอให้เขาเป็นสุขอยู่ในความไม่เบียดเบียนอย่างนั้นที่สำคัญคือต้องทาบ่อยทาไปเรื่อยไม่ใช่ทาเดียวเดียวครั้งเดียว ถึงจะพอมีอิทธิพลทางใจให้เขาคลอยตามในทางดีได้แต่ถ้าเป็นเทวดาประจำตัวตามความเชื่อของหลายๆประเทศคือเทวดาที่มีหน้าที่อรักขามนุษย์ภาพในใจคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยตามเราเป็นเงาตามตัวไปช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีหรือไม่ก็คอยดดนใจให้เราได้คิดได้สติ ถ้ามีอะไรเช่นนั้นจริงก็ควรตั้งความเชื่อไว้ว่าเราต้องมีบุญญาธิการสูงมากขนาดเทวดาซึ่งเป็นพบภูมิสำหรับสวยสุขเหนือมนุษย์จากบุญเก่ายัางต้องมาสะกดรอยตามเราต้อยๆช่วยทำนวนทำนี้ให้หรืออย่างน้อยเราก็ต้องมีบุญคุณกับท่านจนทำให้ท่านนึกอยากตอบแทนยอมสละเวลาอันเป็นทิพยสถานมาเฝ้าพบเฝ้าภูมิหยาบๆของเราได้ ต่อให้ไม่กราบไหว้บูชาท่านก็ยังอยากช่วยเราอยู่ดีทางที่ดีวิธีพุทธคือให้ระลึกถึงบุญที่เพิ่งทำเสร็จยังปลื้มใจไม่หายและน้อมนึกว่าขอให้ท่านอนุมโมทนากับบุญนี้เถิดทำประจําจนเป็นการผูกไมตรีแบบยั่งยืนส่วนใครที่ไม่รู้สึกว่าสัมผัส ไม่ปลื้มพอจะเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาประจำตัวก็พึงระลึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้ไว้นั่นคือกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้กรรมใหม่คือเจตนาดีชั่วที่ตัดสินใจคิดพูดทําแล้วพูดง่ายๆเจ้ากรรมนายเวรของแท้ก็คือร่างกายนี้กิจสนึกแบบมนุษย์นี้ มันตามรังควานเราด้วยความเป็นรังแห่งโรคตลอดจนว้าวุ่นคิดนึกว่าจะทําอะไรตามใจอยากบ้างส่วนเทวดาประจําตัวของจริงก็คือจิตใต้สํานึกที่คอยบอกทางเป็นสัญญาณนําร่องอันเกิดจากบุญเก่าดนจิตให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกที่ชอบที่เป็นไปในทางอยู่รอดปลอดภัย พูดผีปีศาจและเทวดานอกตัวนั้นแม้มีอิทธิพลมืดรอบงาใจให้หลงผิดหรือมีอิทธิพลสว่างเปิดใจให้รับธรรมะก็เป็นแค่แรงเสริมของเดิมที่มีอยู่แล้วในเราไม่ใช่อยู่ๆมาสกิด จ, จิตกันได้ตลอดเวลาให้ทำนั่นทำนี่เมื่อตั้งความเชื่อและมุมมองไว้ตรงทางพุทธคุณจะรู้สึกถึงความสว่างทางเหตุผล มีความเป็นโตของตัวเองแบบผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่รู้สึกขับแคบอยู่กับอารมมืดบอดไม่ใช่ใครพูดเรื่องพันนี้อย่างไรก็เชื่อตามเข้าไปอย่างนั้นไม่เหลือเหตุผลของตนเองติดตัวอยู่เลย